ละนี่เวลาพรรษาไม่ล่อนเร่ไปเป็นเวลาตั้งอกตั้งใจภาวนาพอพรรษาแล้วก็ต้องประเมินผลว่าตลอดพรรษาที่ผ่านมาเนี้ภาวนาเป็นยังไงถ้าไม่ได้เรื่องนะก็เพื่อนสาหาทันมิกถามแล้วก็เก้อเขินผมยังไม่ได้เรื่องเหมือนเดิมอย่างนี้ก็เสียหายโยมเมื่อตั้งใจภาวนา จะหวังฝากศาสนาไว้กับพระฝ่ายเดียวไม่ได้จำไว้นะพระพุทธเจ้าไม่ได้ฝากศาสนาไว้กับพระฝ่ายเดียวท่านฝากศาสนาไว้กับพุทธบริษัทพุทธบริษัทมีสี่พวกใช่ไหมภิสูพิสูนีอุบาสกอุบาสิกาล้มละลายไปหนึ่งบริษัทเหลือสามบริษัทเหลือภิสูใช่ไหมอุบาสกอุบาสิกา อุบาสิกาเนี่ยสําคัญมากนะอุบาสิกาส่วนมากเป็นคนดูแลาศาสนามากเลยอุบาสกไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่ <c oughs> ไปดูตามวัดต่างๆผู้หญิงเยอะผู้ชายไม่ค่อยสนใจเข้าวัดนะไปคาบที่อื่นหมดเนละยกเว้นวัดหลวงพ่อนะผู้หญิงผู้ชายเนี่ยไล่เลีย ก, กันให้พวกเราแต่ละคนต้องสํานึกว่าเรามีหน้าที่ต้องศึกษาธรรมะการศึกษาธรรมะเนี่ย จะทราบซึ้งถึงอกถึงใจได้จริงต้องปฏิบัติเงี้ยมีปฏิยัตมีปฏิบัตินะให้ได้ธรรมะมาสู่ใจเราเรียกปฏิเพศถ้าธรรมะเข้ามาสู่ใจของเราได้แล้วเนี่ยเรียกว่าธรรมะมีผู้สืบทอดที่แท้จริงแล้วเราก็ประกาศธรรมะออกไปเป็นหน้าที่หน้าที่ของชาวพุทธก็คือทำประโยชน์ของตัวเองให้สมบูรณ์ปฏิบัติให้ดีแล้วก็ทาประโยชน์ของคนอื่นได้ ด้วยความไม่ประมาทบางคนอยากสอนคนอื่นนะแล้วก็ไม่ภาวนานี่ไม่ได้ทําประโยชน์ตนเองเรียกว่าประมาทพวกเราสําคัญทุกวันนี้พลาเหลือน้อยนะเนรเนี่ยใกล้ศูนย์พันละเนร์เหลือแต่เนรฤดูร้อนเนนฤดูฝนไม่ค่อยมี <c oughs> เนรฤดูหนาวไม่ค่อยมีมีแต่เนรฤดูร้อนทําไมเนนเกือบหมดแล้วหายากมากเลยเพราะว่าสังคมมันเปลี่ยนระบบการศึกษามันเปลี่ยน การศึกษาภาคบังคับเนี่ยยาวคนจะมาบวชเนนานา น, านไม่ได้แล้วถูกบังคับไปเรียนหนังสือถ้าภาคบังคับยาวไปถึงสิบสองปีอะไรเนี่ยพอเรียนจบนะก็เข้าโรงงานได้เลยก็ผลิตคนไปป้อนโรงงานอุตสาหกรรมอะไรต่ออะไรงั้นเนไม่มีนะนี้การที่จะศึกษาอบรม ตั้งแต่เป็นเนนแล้วก็โตขึ้นมาจนเป็นพระวนะันที่บวชพระก็คล่องแคล่วแล้วรู้ะระเบียบรู้วินยัยรู้อะไรภาวนาคล่องนะไม่มีนะงั้นเราหวังจะหาพระนะที่พัฒนามาจากเนนระหายากแล้วก็อาศัยพวกเรานี่แหละภาวนาคนไหนภาวนาเก่งๆแล้วอีกหน่อยสมควรบวชก็ามาบวชนะก็จะได้พระคุณภาพขึ้นมาเนีย่ยต้องเปลี่ยนวิธีหาพระเหมือนกันนะ พรทางโลกมันพัฒนามากแล้วเราเอาคนเก่งๆทางโลกเนี่มาบวชสมัยโบราณคนเก่งนะไปบวชคนดีๆไปบวชรุ่นหลังๆนี่ยคนแย่ที่สุดมาส่งเข้ามาอยู่วัดเลือกเลยถ้ามีลูกหลายคนนะลูกคนไหนเลวไหลที่สุดเอาไปให้หลวงตาเลี้ยงแลฝากวัดหมาตัวไหนไม่ดีเอาไปปล่อยวัดคนไหนไม่ดีเอาไปไว้วัดแล้ววัดจะมีอะไรเรับเต็นที่รวมของความไม่ดีนั่นแหะ วัดหลวงพ่อเข้มงวด น, นะเลือกเลือกมากเลยคนสมัครเยอะแยะเลย <Yeah. S 1> เหลือพระอยู่กับหลวงพ่อคัดคัดไป เ, เหลือไม่มากแต่หลวงพ่อก็โดนต้มนะตอนมาสมัครอยู่กับหลวงพ่อนะขออยู่สามเดือนสองเดือนอยู่มาหลายปีเราไม่ไปไหนเลยก็ดีภาวนาน่ยจะได้สืบทอดศาสนาไปโยมสําคัญนะถึงวันเนี้ยโยมเข้มแข็ง อย่างพื้นฐานการศึกษาอะไรเนี่ยก็ทันสมัยเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตได้นะถ้าพระท่านมาจากไม่ได้เล่าเรียนอะไรมาไม่เข้าใจบางทีไม่เข้าใจโลกแนละ้วตามไม่ทันศา ส, สนาจริงๆไม่เกี่ยวกับระเบียบพิธีแบบแผนอะไรมากมายนะหลักธรรมะเนี่ยสามารถอยู่ได้เป็นอะกาลิโกนะไม่จํากัดเวลาตัวหลักของธรรมะแท้ ส่วนระเบียบพิธีอะไรต่างๆรูปแบบต่างๆนี่ต้องปรับไปตามสิ่งแวดล้อมจะมาทำอยู่อย่างเดิมตลอดการก็คงไม่ได้นะอย่างพวกเรารุ่นนี้เราไม่มีปา่าจะไปเดินทุง่งเข้าป่าก็ไม่ได้นะป่าไม้ไม่แล้เนระกลัวมากเลยเห็นปลาเข้าป่านะป่าไม้ใจหายเลยกลัวกลัวพระทำลายปา่าแต่ไม่กลัวอิทธิพลทาลายปา่างั้นเราอย่าไปหวังภาวนาแบบเก่าๆนะไปเดินอยู่ตามปา่าตามเขาอะไรอนยะ่างี้ มันไม่มีให้ไปไปที่ไหนก็เจอบ้านคนทั้งนั้นเลยทุกคนทุกแห่งมันกลายเป็นเมืองไปหมดแล้ว <_ D> เราต้องเอาธรรมะอยู่ในเมืองให้ได้ธรรมะต้องอยู่ในเมืองให้ได้เพราะฉะนั้นเราภาวนานะอยู่ในบ้านเราก็ภาวนาอยู่บนถนนเร า, ารก็ภาวนาอยู่ในที่ทำงานนะมีโอกาสก็ภาวนาอยู่ที่ไหนก็ต้องภาวนาไปเดินศูนย์การค้าก็ต้องภาวนาให้การภาวนาจริงๆนี่มันอยู่ในชีวิตของเราจริงๆให้ได้อย่าไปวาดภาพมา ตอนอยู่กับบ้านอยู่ก็ธรรมดาในบ้านในเมืองนะยังไม่ต้องภาวนาเอาไว้ว่างๆแล้วไปอยู่วัดนะหรือไปเข้าคอร์สแล้วค่อยภาวนาอนะไรมันไม่ไหวแนละ้วสังคมนี้ร้อนไปหมดนะเต็มไปด้วยกิเลสเล่าร้อนเต็มไปด้วยการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นทำลายกันทุกคนทุกแห่งนะเบียดเบียนกันตลอดเวลาเพราะั้นเป็นเวลาที่จำเป็นมากเลยที่เราจะต้องมีธรรมะ ธรรมะนี่แหละจะเป็นเครื่องคุ้มครองเราคุ้มครองได้สารพัดจริงๆนะธรรมะอย่างเราหัดเจริญสติอยู่เนี่ยกิเลสเกิดในใจเราเรารู้ทันกิเลสครอบงําใจเราไม่ได้นี่เราปลอดภัยไปเยอะแล้อย่างสาวๆนะถูกไอ้หนุ่มหลอกได้ก็เพราะกิเลสตัวเองแหละครอบงําไม่ใชให่หนุ่มมันหลอกได้นะแ ต, ตัวเองอะปล่อยให้กิเลสครอบงําเองอะงมงายไปเชื่อเขาง่ายๆอะไรเงี้ยหรือเรามีมือถืออันนี้แล้วจะ ต, ต้องมีอีกรุ่นหนึ่งอะไรเงี้ย มีอันนี้แล้วต้องมีอันโน้นมีโน้นแล้วมีต้องมีอะไรต่อๆไปเรื่อยนะเราถูกกิเลสหลอกถูกก็หลอกไปเรื่อยเลยชีวิตเราก็เต็มไปด้วยความลําบากมีนี่มีศีลมีอะไรําบากมากมายงั้นจำเป็นมากนะเราจะต้องมีธรรมะโรคภัยไข้เจ็บก็ร้ายแรงใช่ไหมทีนี้คนเป็นมะเร็งเยอะแยะเลยเราไม่รู้เราจะแจ็คพอตวันไหนะงั้นถ้าเราไม่มีธรรมะเนี่ยเราลําบากมากเลยชีวิตหากความมั่นคงไม่ได้จริงอ่ะ นี่นเราเรียนธรรมะนะเวลาอยู่กับโลกเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขแล้วก็ตั้งอกตั้งใ จ, จเจริญสติไปเรื่อยๆนะวันหนึ่งอินทรีย์มันแก่กล้าขึ้นมานะเข้าใจธรรมะขึ้นมาธรรมะเบื้องต้นขั้นโสดาสกทาคาอะไรเนี่ยคารวาทําได้ไม่มีปัญหาอะไรหรอกทาได้บางคนกลัวนะบอกให้พอนาให้เป็นผ้านาคากลัวกลัวกามตายด้านดูสิกลัวออกมาได้นะมีนะบางคนเป็นกลัวอย่างนั้นจริงๆ ไม่กล้าภาวนาผมกลัวนะเดี๋ยวหมดสมรรถภาพเองภาวนาให้เต็มที่าชาตินี้เองไม่ได้หรอกนะโถไม่ดูสารรูปตัวเองเลยนะภาวนาให้ตายยังไม่จะได้เลยนะยมักกลัวภาวนานิดๆหน่อยๆก็ไม่เอาละเดี๋ยวบรรลุพระนาคาโถนะไม่ได้อะไรหรอกงัเราภาวนาให้เต็มที่นะหาอะไรที่มีประโยชน์เท่าธรรมะเนี่ยไม่มีหรอกหลวงพ่อพูดเต็มปากเต็มคำไม่ใช่ว่าหลวงพ่อ บวชมาตั้งแต่เป็นเนนไม่รู้เรื่องโลกเลยนะแล้วก็หลับตาสอนโยมไม่ใช่นะหลวงพ่อเป็นคาวาจอยู่ตั้ง48ปีนะี่สิบปดปีที่เป็นคาวานะมากกว่าอายุพวกเราส่วนใหญ่ในห้องนี้อีกในโลกมีอะไรหลวงพ่อก็มีกับเขาเหมือนกันมีตำแหน่งหน้าที่การงานมีเงินใชนะ้มีครอบครัวมีหมดเลยยกเว้นมีลูกนะไม่เอาเคยอ่านธรรมะนะพระพุทธเจ้าบอกบัณฑิตไม่ปรารถนาบุตร บทนี่รวมถึงที่ดาด้วยเดี <c oughs> ย๋ยวจะบอกไม่เอาลูกชายเอาแต่ลูกสาวแ <c oughs> บบมีแล้วมีภาระเยอะแต่ใครใครมีแล้วก็เลี้ยงนะไม่ใช่บอกว่าไม่ปรารถนาแล้วมาปล่อยไว้วัดอีกอะไรที่ไม่ปรารถนามันทิ้งวัดในโลกนะ <c oughs> เขามีอะไรหลวเพ่อก็มีความสุขในโลกเป็นยังไงเขรู้จักอย่างดีเลยแต่รู้นะมันหาสาระแก่นสารไม่ได้ความทุกขนะ์นั้นมันตามบีบคั้นชีวิตเราอยู่ตลอดเวลา ใจเราเต็มไปด้วยความอยากอยากโ น, น้นอยากนี่อยากโ น, น้นอยากนี้ทุกครั้งที่เกิดความอยากขึ้นในใจเนี่จิตใจถูกบีบคั้นตลอดเวลาร่างกายก็ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหิวเดี๋ยวกระหายนะเดี๋ยวปวดอ ữ, ปึปวดฉี่เดี๋ยวโ น, น้นเดี๋ยวนี้ตลอดเวลาเดี๋ยวก็คันใช่ไหมคันมีใครนั่งมาถึงป่านนี้ยังไม่คันเลยมีไหมมีไหม <S <S บางคนอาจจะบอกว่าหนูยังไม่คันเลยความจริงหนูเกาไปหลายรอบแต่หนูไม่รู้สึกนะหนไม่รู้สึก เรชีวิตนะี่มันเต็มไปด้วยความทุกข์ความบีบคั้นมากมายเลยนะร่างกายนี่ก็เต็มไปด้วยความทุกข์จิตใจก็เต็มไปด้วยความทุกข์แต่คนโง่คนเขา่คเขาคนไม่มีสติไม่มีปัญญานั้นมองไม่เห็นก็เห็นว่าชีวิตนี้เต็มไปด้วยความสุขถ้ามีสติมีปัญญาขึ้นมานะมีสติคอยรู้สึกอยู่ที่กายก็เห็นว่ากายนี่มันทุกข์ตลอดเวลาเลยมีสติะระลึกรู้จิตไปเรื่ อ, อยาตามรู้กว่าก็าจะเห็นหนะจิตมันมีแต่วความทุกข์บีบคั้นกิเลสตัณหานะย่ํายีมันอยู่แทบตลอดเวลา หาความสุขไม่ได้หรอกเงั้นในโลกนะโลกมันจะดีโลกมันจะวิเศษแค่ไหนนะไม่สําคัญใช่ไหมแต่กายนี้ใจนี้เนี่ยมันไม่มีความสุขซะแล้วอะไปอยู่ในโลกที่วิเศษแค่ไหนมันก็ไม่สุขหรอกเหมือนหมาขี้เลืน้นไปอยู่ตรงไหนก็ไม่มีความสุขคันครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าชี้ให้พระภิกษุดูท่านอยู่ที่วัดเชตวันตอนนั้นท่านบอกมีหมาขี้เลือ้นอยู่ตัวหนึ่งในวัดเนี่ยเห็นไหม ทำเนียมเอาหมาขี้เลือนมาไว้วัดเนี่ยมีมานานแล้ว <c oughs> ในวัดเชตวันก็มีหมาขี้เลื่อนเหมือนกันหมาขี้เลือนเนี่ยนะเดี๋ยวมันก็วิ่งมาอยู่ใต้ต้นไม้ต้นนี้มันหวังว่าจะมีความสุขนะสักพักหนึ่งก็ขันนะเต่าเก่าเกแล้วก็วิ่งไปอยู่ตรงนี้ไม่มีความสุขวิ่งมาจนถึงหน้ากุฏิพระพุทธเจ้านะตรงนี้คงจะมีความสุขสักพักหนึ่งก็ขันนะก็ เ, เก่าอีกแล้วก็วิ่งหนีไปอีกบอกตลอดคืนเนี่ยหมาตัวนี้วิ่งไปเรื่อยๆเที่ยวหาความสุขไปเรื่อยแล้วมันไม่มี จิตของเรา น, นี่แหละผู้ไม่ฉลาดนะเหมือนหมาขี้เลื้อนร่อนเร่สัญจรไปเรื่อยเลยหวังว่าทําอย่างนี้เราจะสุขมีอย่างนี้เราจะสุขเป็นอย่างนี้เราจะสุขเนี่ยปรารถนาแต่ความสุขนะั้นดิ้นไปเรื่อยเลยทําอย่างงั้นจะสุขทําอย่างนี้จะสุขสุดท้ายไม่สุขจริงหรอกนะก็ต้องดิ้นไปเรื่อยๆไครอายุยี่สิบปีตั้งแต่อะไรเกิดถึงยี่สิบปีมีไว้ในห้องนี้นอายุน้อยมียี่สิบปี อาใครช่วงยี่ิถึงสามสิบมีไหมใครสามสิบถึงสี่สิบมีไหมใครเกินสี่สิบไม่อยากถามให้สะเทือนใจ <c oughs> อยู่มาหลายสิบปีรู้สึกไหมใจเรายังแสวงหาไม่เลิกใจเรายังเที่ยวหาไปเรื่อยนะว่าทํำยังไงมันจะมีความสุขมัดิ้นไปเรื่อยๆ เ, เลยหาความสุขในชีวิตจริงๆไม่ได้หรอกนะมีอันนี้แล้วมันก็ไม่ได้เป็นสุขนะเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่เป็นสุขพ้นจากอันนี้แล้วก็ไม่ได้เป็นสุข มีความสุขได้แวบๆนีเดี๋ยวก็ทุกข์อีกและวเพราะในโลกนะมันหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้หรอกเพราะไอ้คนที่อยู่ในโลกนั้นมันไม่มีความสุขความทุกข์มันอยู่ที่กายที่ใจของเรานี่เองถึงเอากายเอาใจนี้ไปอยู่บนภูเขามันก็ทุกข์นะเอาไปดูหมีแพนด้าไปอยู่ในอะไรสโนโดมมันก็ทุกข์แหละไปไหนมันทุกข์หมดนะนี่ทุกข์ไปไม่รอดเลยเพราะอะไรเพราะกายนี้ใจนี้นั่นแหละมันตัวทุกข์ ไปไหนเราก็แบกกายแบกใจไปด้วยมีใครไปไหนไม่เอากายเอาใจไปไหมมีไหมใครไปไหนโดยไม่เอากายไปเคยเป็นบ้างไหมไม่ยากนะไม่ยากนะถอดจิตเอาไปเที่ยวออใครไปไหนโดยไม่เอาจิตไปได้ไหมได้เดินละเมอตกน้ำตกท่าไม่รู้เลยร่างกายมันเดินไปนะแต่รวมความแล้วนะอย่างน้อยต้องเอาอะไรอันหนึ่งไปฮะนะแต่ส่วนใหญ่ก็เอาไปทั้งคู่ นี่กายมันเป็นตัวทุกข์เนี่ยไปไหนก็เท่ากับแบกตัวทุกข์ไปด้วยจิตใจเป็นตัวทุกข์เนี่ยไปไหนก็แบกเอาตัวทุกข์ไปด้วยนะไปอยู่ที่ไหนที่ไหนก็ทุกข์ไปทํายังไงไงนะเดี๋ยวเดีย ว, ยวความทุกข์ก็ตามมาทานอีกแล้วนี่ความทุกข์มันคลองโลกอยู่นะคนโง่คนไม่มีสติปัญญาคนไม่เคยฟังธรรมะจําเป็นที่จะต้องจมต้องวนเวียนอยู่กับความทุกข์เพราะไม่มีทางออกพวกเราผู้เป็นลูกพระพุทธเจ้าเรามีทางออกได้นะเราสามารถไม่ถูกได้ ไม่ใช่ว่าฝึกให้มันไม่มีกายไม่มีใจบางคนโง่นะคิดว่าโอ้กายกับใจเป็นตัวทุกข์เพราะงั้นถ้าเมื่อไหร่ไม่มีกายไม่มีใจเขาคงพนทุกข์เนี่ยไม่มีกายไม่มีใจได้ไงมันมีแล้วอ่ะพระพุทธเจ้าคนพบมิถีที่น่าทึ่งมากเลยไม่ใช่ไม่มีกายมีใจมีแต่ไม่ยึดถือมันยังมีอยู่เพราะมันต้องมีอย่างร่างกายมันมีอยู่แล้วนะถ้าไม่ยึดถือก็ไม่ทุกข์นะท่านคนพบตัวนี้นะถ้าไม่ยึดก็ไม่ทุกข์นะถ้ายึดก็ทุกข์ งั้นท่านสอนให้เราหัดภาวนาจนวันหนึ่งเราไม่ยึดกายไม่ยึดใจกายมันทุกใจมันทุกแต่เราไม่ยึดมันนะเราก็ไม่ปล่อยทุกไปด้วยนี่ครฝึกนะมันจะไม่มันมีความทุกข์อยู่แต่ไม่มีคนเป็นทุกข์นี่ธรรมะของพระพุทธเจ้าลึกซึ้งขนาดนี้นะไม่ใช่พ้นทุกข์ด้วยการพ้นกายพ้นใจหลายคนโง่ามากเลยภาวนากะให้พ้นกายพ้นใจมีนะอย่างบาคนภาวนานะพยายามดับจิตลงไป ถ้าไม่มีจิตซะแล้วเนี่ยก็มีแต่ร่างกายอย่างเดียวก็ไม่รู้จักทุกใช่หไหมมีนะ่ะภาวนาระดับจิตบางคนไปภาวนาพยายามดับเวทนาสอนกันด้วยซ้ําไปนะให้ดับเวทนาวนะิธีดับเวทนาก็คือเพ่งรูปไปด้วยเพ่งอย่างเราจะหยิบขวดน้ําำนะเราเพ่งใส่มือไวนะ้ให้ความรู้สึกทั้งหมดจดจ่ออยู่ที่มือนะลืมลืมตัวไปเลยในโลกนี้เหลือแต่มือที่ไหวกิ๊กิ๊กกิกกกก๊นี่คือการเพ่งรูปการเพ่งรูปนะเพ่งถึงขีดสุดจะได้ฌานที่สี่ แล้วก็ถ้าไม่สนใจความรู้สึกเลยนะจิตจะดับลงไปเป็นผอมลูกฟักเนี่เห็นว่ามีขันแล้วมีทุกข์เพราะฉนั้นหาทางดับขันอันนี้เข้าใจผิดดับได้ชั่วคราวเดี๋ยวก็กลับมาอีกแล้วพระพุทธเจ้าเลยไม่ได้สอนให้ดับขันนะท่านสอนให้รู้ขันเรียกว่าให้รู้ทุกข์ให้รู้กายรู้ใจให้รู้ขันห้าขันห้าเป็นทุกข์ให้ค่อยรู้ไปเรื่อยรู้ไปจนเห็นความจริงขันห้าไม่เที่ยงขันห้าเป็นทุกข์ขันห้าไม่ใช่ตัวเราใจมันไม่ยึดถือขันห้านะ มันมีอยู่แต่ไม่ยุดมันจะไปเดือดร้อนอะไรยกตัวอย่างนะอย่างสวมมือกระติกน้ำใบนี้เราหิ้วไปเรื่อยก็หนักใช่ไหมถ้าเราวางไปกระติกถามว่ากระติกยังหนักอยู่ไหมกระติกก็ยังหนักอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมแต่เราไม่ได้ไปแบกขึ้นมาเราก็ไม่หนักด้วยขันนี้ก็เหมือนกันนะขันนี้ขันของพระละหันก็เป็นทุกข์นะไม่ใช่ขันของพระลหาันเป็นของวิเศษแต่ท่านวางลงไปท่านไม่ไปหยิบขึ้นมา มีบทสวดมนต์อยู่บทหนึ่งนะบอกว่าขันทั้งห้าเนี่ยเป็นภาระคือเป็นของหนักคนทั้งหลายเนี่ยแบกของหนักไปเรื่อยๆ ấy. ก็ไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงพระอริยะเจ้าคือพระอรหันต์นะวางของหนักลงแล้วแล้วก็ไม่หยิบขึ้นมาอีกมีเหมือนกันวางแล้วหยิบขึ้นมาอีกอันนี้ยังไม่ถึงขั้นพระอรหันต์นะบางทีปล่อยวางชั่วคราวแปบ๊บเดียวไปคว้ามาอีกแนละทุกต่ออีกงั้นเราจะฝึกนะเราจะฝึกจิตฝึกใจของเราจนวันหนึ่งจิตมันปล่อยวางขันจิตมันไม่ยึดขัน ขันก็เป็นทุกข์ของขันไปนแต่จิตไม่ยึดถือพระละหันเวลารู้สึกต่อขันนะพระมหากัสสปะท่านเคยพูดไว้บอกว่าท่านมีความรู้สึกกับขันเนี่ยเปรียบเทียบนะเหมือนท่านเป็นคนหนุ่ ม, มตอนนั้นท่านไม่หนุ่มแล้วละ่ะท่านคงอายุ 70-80 ขึ้นไปแล้วนะท่านบอกว่าจิตใจของพระละหันเนี่ยเหมือนคนหนุ่มคนสาวเนะอาบน้ําสะอาดเอียเยเ่ยมในเลีเล่ข้มเรเ์ไรนะแต่งเนื้อแต่งตัวสวยงามพลมน้ําหอมด้วย เสร็จแล้วเวลาจะไปไหนเนี่ยก็หยิบหมาเน่าหนึ่งตัวคล้องคอไปด้วยคล้องไปไปไหนก็ห้อยหมาเน่าไปด้วยความรู้สึกของพระอราหันต์ตอกขันนั่นก็คือหมาเน่าตัวหนึ่งท่านไม่ได้นิยมยินดีแต่ทําไมต้องแบกไปด้วยเพื่อยังมีหน้าที่ยังต้องแบกอยูย่ยังต้องเอาไปอยู่ยังไม่ได้ทิ้งยังไม่ถึงเวลาจะทิ้งงั้นเวลาที่พระอราหันต์จะนิพพานนะพระอราหันต์จะร่าเริงมากเคยอ่านพระสูตรไหมบอกว่าเวลาที่พระพุทธเจ้าผ่องใสสุดๆเนี่ย มีอยู่กี่ครั้งปองอาวฝ่ายวิชาการพลิกไม่ทันตอนตรัสรู้เนี่ยครั้งหนึ่งท่านจะผ่องใสเต็มที่เลยถ้าตอนปรินิพานเนี่ยท่านจะผ่องใสสุดๆอีกทีหนึ่งพระนน์เห็นพระพุทธเจ้านะผ่องใสมากเลยว่าโอ้ถ้าพระองค์จะอายุยืนมั้งผ่องใสมากท่านบอกจะตายละผ่องใสมากทาไมผ่องใสมากตอนบรรลุพระอรหันต์ผ่องใสมากตอนจะปรินิพานผ่องใสมากตาน บรรู้พระหรหันต์เนี่ยจิตปล่อยวางความยึดถือขันไปนะมันเบิกบานมันผ่องใสนะตอนจะปรินิพพานเนี่ยจะทิ้งขันแนละ้วทิ้งหมาเน่าอะ่ะไม่ผ่องใสได้ไงอะ่ะงั้นอย่างพวกเราเวลาจะตายเรากลัวนะพระหรหันต์เวลาจะนิพพานเนี่ยร่าเริงสุดๆเลยร่าเริงแจ่มใสแค่นึกถึงก็ร่าเริงแล้วจะได้ปลดภาระออกไปงั้นขันเนี่ยไม่ใช่ของดีของวิเศษนะ ขันนี้เป็นตัวทุกโดยตัวของมันเองในสายตาของพระอราหันต์เนี่ยขันเป็นแค่หมาเน่าเอาไม่ใช่ของดีของเรารู้สึกไหมทุกวันเราประครบประงมหมาเน่าตื่นเช้าขึ้นมาก็ล้างหมาเน่าเอาเอาสีมาทาให้หมาเน่าอนะอาทาให้หมาเน่านี่ดูดีที่แท้มันก็หมาน่า น, นั่นแหละนี่วิธีการที่ใจเราจะวางวิธีการที่ันก็อตหมาเน่านั่นแหละนี่วิธีการที่ใจเราจะวางวิธีการที่ใจเราจะวางนั่นะก็คือต้องเห็นความจริงก่อนว่ามันเป็นหมาเน่า ถ้าเห็นว่ามันเป็นของดีของวิเศษนะมันเป็นเพชรเป็นพลอยเป็นอัญมณีมันไม่วางหรอกโดยตัวมันเป็นหมาเน่าอยู่แล้วแต่เราไปคิดว่ามันเป็นเพชรพลอยอัญมณีก็เรามาหัดเจริญวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนาเนี่ยเรามาเรียนรู้กายเรียนรู้ใจตามความเป็นจริงความเป็นจริงของมันเป็นหมาเน่าเป็นอันิจจังทุกขังอนัตตาเป็นตัวทุกข์นั่เราจะมาเรียนให้เห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้เป็นอันิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่เรียน ให้มันกลายเป็นหมาเนื้อหอมนะแล้วมันยังเป็นมาเน่าอยู่อย่างนั้นแหละแต่เรียนให้เห็นความจริงว่ามันไม่ใช่ของดีของวิเศษหรอกถ้ารู้เมื่อไหร่ว่ามไม่ใช่ของดีของวิเศษจะโยนทิ้งไปเลยสมว่เรามีแหวนเพชรอยู่วงหนึ่งนะถอดออกมาชื่นชมสวยงามชมไปชมมานะเดินไปกลางแสงจันทนระ์เนดูประกายเพชรพูบงๆวับๆนะเกิดสะดุดต่อไม้แหวนตกลงไปแหวนตกลงไปตะครุบปั๊บเลยอุ้ยแหวนของฉัน เนี่ยไมกลิ่นตุตุ่ยปล่อยขึ้นมานะอไปหยิบเอาขี้หมาขึ้นมานะขี้หมาแห้งๆหน่อยจะทํำยังไงช่ยชมไหมไม่ช่ยชมหรอกจะโยนทิ้งทันทีโยนทิ้งเพราะอะไรเพราะรู้ว่าไม่ใช่ของดีของวิเศษเมื่อไรที่เราเห็นขันไม่ใช่ของดีของวิเศษนะเราจะโยนทิ้งทันทีไม่ต้องสั่งให้โยนหรอกไม่ต้องเชิญให้โยนหรอกโยนเอง งาหน้าที่ของเรานี่ยแหลเรียนรู้ความจริงของขันไปเรื่อยไม่ต้องไปคิดนะว่ามันไม่ใช่ของดีมันไม่ใช่ของดีอยู่แล้วนะไม่ต้องไปนั่งคิดเอาเองว่ามันไม่ดีอย่างงนมันไม่ดีอย่างนี้ดูของจริงเข้าไปดูให้ใจมันเห็นของจริงลําพังคิดเอาเองมันไม่เชื่อหรอกอย่างตอนหลวงพ่อเด็กๆนะมีนางงามจักรวาลชื่ออภัชรานางงามหลังๆเนี่ยเราไม่ค่อยรู้จักเราไม่ค่อยสนใจหรอกนา ง, งงงนางงามรู้สึกมันหลอกหลอกกัน รู้สึกอาพัสลาสวยๆนะเป็นของดีของวิเศษถ้ามาถึงวันนี้ไม่สวยแล้วใช่ไหมสวยป่าวไม่รู้ก็คงไม่สวยเท่าเดิมเนะเนี <c> ่ย <oughs> ถ้าเราพาวนานะเรารู้ว่ามันไม่ใช่ของดีของวิเศษนะมันไม่เอาหรอกนะเคยมีสมัยพุทธกาลนะมีผู้หญิงสวยงามคนหนึ่งนะผู้หญิงที่สวยที่สุดเก่งที่สุดฉลาดที่สุดร้องราทำเพลงเก่งมีศิละปะจะได้รับเลือกเป็นนางคณิกาภูมิใจไหมได้เป็นนางคณิกา เ, ออเมืองนึงมีคนเดียวนะออไม่ใช่มีเยอะแยะอย่างทุกวันนี้เมืองหนึ่งมีคนเดียวนี่มีนางคณิกาแสนสวยคนหนึ่งตายนางคณิกาคนนี้ค่าตัวแพงมากเลยกี่กหาปณ ะ, ะนะป๋องออฝ่ายวิชาการนึกไม่ออกสมมุติว่าแสนกหาปณะนะคือละแสน อ, อ๋อนะพอตายปุ๊บนะพระพุทธเจ้า บ, บอกเอาศพมาแล้วไปเรียกคนทั้งเมืองมาเลย คือมีพระองค์หนึ่งเน่ยเคยเห็นนางค น, น, ค น, นิการคนนี้แล้วหลงรักพอดีคนนี้ตายไม่สบาย ป, ปรับตายไปศพก็ยังสวยอยู่ท่านให้เอาศพมาเรียกคนทั้งเมืองมาดูศพนี้ท่านบอกว่าเนี่ยนางคนนี้นะแต่ก่อนเนี่ยคือละแสนอา้าวใครจะให้แสนแสนกะหาปณะนะเอาไปเลยเอาไปตลอดเลยไม่มีใครเอานะแสนกะหาปะนะท่านลดราคาลงมาเรื่อยเหลือหนึ่งกะหาปณะกนะ็ไม่มีคนเอานะสุดท้ายยกให้ฟรีก็ไม่มีคนเอา เพราะอะไรเพราะใจมันเห็นแล้วว่าไม่ใช่ของดีของวิเศษแล้วนเราภาวนานะเพื่อให้รู้ความจริงลงในขันถ้าเห็นว่าขันนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษนะจิตมันจะปล่อยวางของมันเองไม่ต้องไปคิดเอาไม่ต้องไปนึกเอาอย่างโน้นอย่างนี้นะดูของจริงๆลงไปหรอกมันไม่สวยไม่งามไม่ดีไม่วิเศษอะไรหรอกมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยการที่เรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงคือเห็นความจริงของมันว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ถ้าเห็นอย่างนี้ได้ใจจะปล่อยวางนะแม้นพวกเราก็มีหน้าที่เท่านี้แหละมีสติคอยรู้สึกกายมีสติคอยรู้สึกใจแล้วก็คอยดูซิกายจริงๆเป็นยังไงจิตใจจริงๆเป็นยังไงดูของจริงไม่ใช่คิดเอานะสมมว่าถ้าเราจะไปนั่งคิดเอาเองนะว่าอภัสราไม่สวยหรอกไม่สวยหรอกเนะี่ยก็เห็นไมมว่ามันสวยอ่ะตอนเ ร, เราเด็กๆ เ, เราก็เห็นว่าสวยนะแล้วจะมาให้เรานั่งคิดว่าอภัสราไม่สวยหรอก นะต่อไปเธอจะแก่เธอจะเหี่ยวเธอจะย่นย่นก็ตอนนี้เธอยังไม่ย่นอนะ่ะใจมันจะคิดอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นคิดเอาเนี่ยกิเลสไม่เชื่อหรอกจิตไม่เชื่อหรอกต้องดูของจริงอย่าไปนั่งคิดเอาเองไม่ได้นะอย่างสมมติเราชอบผู้หญิงสักคนหนึ่งนะเราจะไปนั่งคิดเอาอีาน้อยเธอก็แก่ละอนะไรงนี้ก็ตอนนี้เธ อ, อยังสาวอนะ่ะใจมันรู้ว่าคิดหลอกตัวเองตอนนี้มันยังดียังวิเศษยังเห็นเป็นของดีแค่โกหกตัวเองว่ามันไม่ดี งั้นเราไปนั่งคิดเอานะพิจารณาปฏิกูลพิจารณาอสุภะอะไรเนะี่ยมันไม่ล้างกิเลสจริงมันข่มกิเลสได้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่เมื่อเห็นความจริงของมันนะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะั้นแหะมันถึงจะล้างกิเลสนะงั้นพวกเราหัดเจริญสตินะมีสติรู้กายรู้ใจแล้วทําไงถึงจะเห็นอนัตตาเห็นทุกอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นไตรลักษณ์ต้องมีสติรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง เงื่อนไขที่จะทําให้เราเห็นไตรลักษณ์เห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์ก็คือตัวสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิทําให้เกิดปัญญาสัมมาสมาธิคือสภาวะที่จิตมันตั้งมั่นมันตั้งมั่นแล้วมันเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างนะมันรู้ทุกอย่างด้วยใจที่ซื่อรู้แล้วไม่แทรกแซงรู้แล้วไม่คลุกเข้าไปรู้แล้วไม่อินเข้าไปรู้แล้วไม่ไหลเข้าไปรู้อยู่ห่างๆดูแบบคนวงนอกดูเหมือนคนดูละครนี่เรียกว่าจิตมีสัมมาสมาธิ สติะระลึกรู้กายนะจิตตั้งมั่นอยู่ต่างหากเนี่ยก็จะเห็นเลกายนี้ไม่ใช่เราหรอกเห็นทันทีสติะระลึกรู้เวทนาความรู้สึกสุครู้สึกทุกนะใจเราตั้งมั่นเป็นแค่คนรู้คนดูอยู่จะเห็นว่าเวทนาเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาไม่ใช่เราหรอกสติะระลึกรู้กุศลและอกุศลเช่นความโลภความโกรธความหลงทั้งหลายนะถ้าจิตตั้งมั่นอยู่ก็จะเห็นกิเลสเนี่ยเป็นของแปลกปลอมมันผ่านมาผ่านไปเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้าน เราอย่าวิ่งตามมันออกไปก็แล้วกันหรืออย่าวิ่งไปเชิญมันเข้าบ้านก็แล้วกันแค่รู้มันเฉยๆนะทุกอย่างมันจะมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปไม่คล้อยตามไม่ต่อต้านนะรู้อย่างที่เขาเป็นไปเราต้องการเห็นความจริงว่าทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะไม่มีอะไรคงทนถาวรหรอกมีแต่ของไม่เที่ยงเราต้องการให้เห็นว่าจริงๆแล้วกายนี้ใจนี้ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเราต้องการให้เห็นความจริงว่ากายเขาไม่ใช่เราจิตเขาไม่ใช่เรา มันเป็นขันนะมันเป็นธาตุมันทำงานของมันเองวันเปของโลกต้องการให้เห็นความจริงนี้เราก็รู้มันไปซื่อตามรู้มันบ่อยๆรู้มันเนืองเนืองรู้แล้วไม่เข้าไปเพ่งไว้รู้แล้วไม่ไปคิดเอารู้แล้วไม่แสกแซงรู้แล้วไม่บังคับรู้ธรรมดาธรรมดารู้ซื่อๆรู้ลงไปเรื่อยๆในกายรู้ลงไปเรื่อยๆในใจกิเลสมันทนสติปัญญาเราไม่ได้หรอกวันหนึ่งมันต้องแสดงให้เห็นหรอกทุกวันนี้กิเลสครอบงําใจอยู่นะมันหลง มันไปเห็นขันซึ่งไม่เที่ยงว่าเป็นของดีของวิเศษเห็นขันที่เป็นทุกข์ว่าเป็นของดีของวิเศษเห็นขันที่เป็นอนัตตานะว่าเป็นตัวกูของกูขึ้นไหแล้วเรามหัดเจริญสตินะรู้ลงในกายรู้ลงในใจจะเห็นเลยมันเป็นไตรลักษณ์เงื่อนไขที่จะทําให้รู้กายรู้ใจได้มีสองตัวนะมีสติร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกคอยรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของใจนี่เรียกว่ามีสติ ในขณะที่มีสตินั้นมีใจตั้งมั่นใจสักว่ารู้สักว่าเห็นรู้มันซื่อๆรู้แล้วไม่แทรกแซงรู้แล้วไม่ถลําไปเพ่งไปจ้องนะรู้สบายๆรู้อยู่ห่างๆนะเนี่ยเรียกว่าใจมันตั้งมั่นในการรู้การเห็นมันไม่ถลําลงไปก็จะเกิดปัญญาจะเห็นไตรลักษณ์นั่นจะเห็นไตรลักษณ์ของขันห้าได้ของกายของใจได้นะมีเครื่องมือสองตัวสติตัวหนึง่งนะสัมมาส ม, มาธิกตัวสติเป็นเครื่องระลึกรู้ความมีอยู่ของกายของใจ สัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตในขณะที่รู้กายรู้ใจในขณะที่สติระลึกรู้กายรู้ใจถ้าถ้ามีสองตัวนี้เมื่อไหร่นะปัญญาจะเกิดคือจะเห็นความจริงของกายของใจแต่ถ้าจิตเราไม่ตั้งมั่นนะพอสติไปรู้กายเราก็ถล่มลงไปจ้องอยู่ที่กายกลายเป็นเพ่งเฉยเฉยไม่เกิดปัญญา ถ้าไม่ถลำลงไปจ้องน้ำจะเห็นเลยร่างกายมันพองร่างกายมันยุบร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าร่างกายยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เราหายใจออกหายใจเข้าไม่ใช่เราพองเรายุบแต่รูปมันเป็นร่างกายมันเป็นะจะเห็นได้มันไม่ใช่เราะจะเห็นเวทนาความสุขความทุกข์เกิดขึ้นที่กายบ้างที่ใจบ้างก็สักแต่ว่าสภาวะธรรมไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา เห็นกุศลนะกุศลเกิดขึ้นที่จิตใจกุศลนกุศลไม่เกิดที่กายหรอกเกิดที่จิตใจอย่างเดียวแล้วก็เห็นไปสักแต่ว่าสภาวะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเห็นอยู่อย่างนี้เรื่อยๆเห็นเนืองๆในสุดก็เห็นว่าอ้อมันก็แค่สภาวะที่เกิดเกิดดับดับเท่านั้นแหละไม่ใช่ตัวเราหรอกนี่เห็นความจริงแล้วขันห้านี้ก็แค่สภาวะเท่านั้นเองเกิดเกิดดับดับไปเรื่อยๆไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงนะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขา ฝึกไปอย่างนี้ได้เป็นพระโสดาบันตามรู้ตามดูไปอีกเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆเลยนะขันห้ามีแต่ทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ของดีของวิเศษถ้าเห็นทีนี้ปล่อยวางเลยไม่หยุดละนะเป็นพระลรหันอย่าไปวาดภาพไม่ยากเกินไปหนะ้าไม่ยากหรอกอยู่ที่ความอดทนของเรานะทําให้ถูกหลักมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้จิตตั้งมั่นได้เป็นกลางนี่ถูกหลักพอถูกหลักแล้วต้องขยันดูเนืองเนืองนะรู้เนืองเนืองไม่ใช่3วันดูทีเจวันดูที อย่างนั้นไม่ไหวกิเลสเราไปกินหมดนะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางรู้เนืองๆไปนะวันหนึ่งปัญญากเกิดได้เป็นพระโสดาบันเป็นพระอรหันต์เป็นลำดับลาดับไปแล้วก็พ้นทุกไปเอเท่านี้นะไปทานข้าว